สำคัญนะสำหรับชาวพุทธทั้งโลกเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องนะกับพระบรมศาสดาของเราแล้วก็ทำให้เกิดมีพุทธศาสนานะสืบทอดมาจนถึงเราทุกวันนี้วันนากสระบูชาเนี่ยความสัมพันธ์ก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์หรือว่าวัน เมื่อสองเดือนที่แล้วนะหรือสองเดือนก่อนนั่นคือวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาแล้วก็คงทราบดีแล้วนะเป็นวันที่ผู้เจ้าเนี่ยประสูติตัศรุแล้วก็ปรินิพานความสำคัญอยู่ตรงที่การตัสรุของพระพุทธองค์เพราะว่าการเกิดและการตายเนี่ยทุกคนก็ต้องประสบทั้งนั้นพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันแต่ที่พระองค์ แตกต่างจากบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ก่อนหน้านั้นก็คือพระองค์ทรงตัดสู้ซึ่งเป็นเครื่องชี้ว่าการพ้นทุกเนี่ยมันเป็นไปได้ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีใครเคยประกาศว่าตนเองพ้นทุกได้เลยแม้จะพยายามก็เพียงใดก็ตามการตัดสู้ของพระพุทธองค์เนี่ยแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเนี่ยพ้นทุกได้ ส่วนวันอาสาบูชาเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ว่าสาระของวันนี้ก็คือย้ำเตือนให้เราตระหนักว่าหรือเห็นชัดว่าการพ้นทุกนั้นจะทำได้อย่างไรอันนี้สำคัญนะเพราะว่าเป็นการชี้ทางให้กับคนที่ตามหลังพระองค์นะว่า ไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉทนั้นที่พ้นทุกข์ได้คนอื่นๆก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันถากว่าปฏิบัติตามแนวทางที่พระองค์ได้ทรงเทศนาหรือว่าแจกแจงแนวปฏิบัตินั้นก็คือทางสายกลางหรือว่ามัชิมาปฏิปทาถ้าพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วนะแล้วก็จบเพียงเท่านั้นนะ คนที่พ้นทุกได้ก็คงมีแต่พระพุทธองค์แต่ว่าการที่พระองค์เนี่ยได้นําเอาธรรมะที่ปรองส่วนค้นพบเนี่ยนำมาแจากแจงให้เข้าใจง่ายมันก็ทําให้คนอื่นสามารถจะเดินตามพระองค์เข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เหมือนกัน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญและคนที่เห็นทางพน้นทุกเนี่ยคนแรกก็คือท่านโกนทัญญะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์และต่อมาปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ไม่เพียงแต่จะบรรลุโสดาบันหรือดวงตาเห็นธรรมแต่ว่าสามารถที่จะเข้าถึงความพน้นทุกอย่างสิ้นเชิงก็คือเป็นพระอาหารหันต เขาทำให้มีพระรัตนตรัยครบสามประการพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแต่พระพุทธแล้วก็พระธรรมพระธรรมนี่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบแต่ว่ายังไม่แสดงออกมาพูดแบบภาษาชาวบ้านคืออยู่ในหัวพระองค์แต่ว่าพอพระองค์ได้ พบปัญจวัคคีนะพระองค์ก็นำเอาธรรมะที่พระองค์ส่งค้นพมนี่แหละนำมาแจกแจงนำมาแสดงอย่างเป็นระบบนะถ้าเราอ่านติดตามฟังนะใครควรไปขณะที่ส่วนสาธยายธรรมจกกักรปฒนสุลเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็จะพบ ว, ว่าพระองค์เนี่ยส่งแจกแจงได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบมาก ก็เท่ากับว่าทําให้ธรรมะเนี่ยนะได้ปรากฏแสดงเป็นครั้งแรกในโลกแล้วก็ผลตามมาคือทําให้เกิดมีผู้คนมีผู้เข้าถึงพระธรรมนั้นจนพ้นทุกข์หรือว่าเป็นพระอรหันต์กลุ่มแรกเนี่ยท่านตเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นสงเป็นสงสงนี่ก็คือกลุ่มบุคคลนะถ้าเป็นแค่บุคคลเดียวแล้วเราพิสษุ ถ้าภิกษุหลายคนหลายท่านเราก็เรียกว่าเป็นสงศ์อัสรบูชาเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่เราลึกถึงเหตุถึงการที่มีพระตัตนัไตรครบทั้งสามประการพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้กนะ็เป็นที่มาที่ทำให้ชาวพุทธเราน ะ, ะมีการจัดงาน เดียกว่าอัสศรบูชานะเพื่อระลึกนึงถึงเหตุการณ์ครั้งสําคัญในปรติศาสตร์เอาพวกเราคงทราบอยู่แล้วว่าบรรดาวัคคีทั้งห้าท่านเนี่ยนะก็เคยติดตามพระ เ, เจ้าตั้งแต่สมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะท่านเหล่านี้ก็เชื่อว่าพระ เ, เจ้าชายสิทธัตถานี่แหละ ว, วันหนึ่งก็จะต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามพระองค์ออกบวชแต่สุดท้ายก็ ลาทิ้งพระองค์ไปเมื่อเห็นพระองค์เนี่ยเลิกบาเพ็ญทุกขลั ก, กิริยาปัญจวัคคีก็มาหลบเลียงมาอยู่ป่างอิศิปฏนะมรุกขทยวัน พ, วพระพุทธองค์เนี่ยเมื่อทรงตัดสัรู้นะที่ลิงฝั่งไปน้ําเนรันชราซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธคยาทุกวันนี้พระองค์ก็มีพระทัยเมตตานะนึกถึงปัญจวัคคี เป็นกลุ่มแรกที่จึงนึกถึงคนอื่นก่อนนะนึกถึงอาจารย์ของท่านอารันด บ, บุตรทกดาบดแต่เมื่อได้ทราบโดยยานว่าทั้งสองท่านได้เสียชีตไปแล้วก็เลยนึกถึงปัญจวัคคีนะซึ่งเคยตามเสด็จปฏิบัติร่วมกับพระองค์พระองค์ก็เดินเดินด้วยเท้าน ะ, ะทศเจ้านี่เสด็จพระดำเนินด้วยเท้ามาตรัระชชนชีพ แล้วตั้งแต่ออกบวชนะแม้ว่าจะมีพระราชาผู้กระรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นประจอบพิพิสารนะหรือว่ารประจ่าประสิทีิโกศนพระเจอุเทนแต่ว่าพระองค์นี้ก็ไม่เคยน ะ, ะที่จะสัญจรด้วยวิธีอื่นเลยนอกจากการเดินเท้านะ เรียกว่าธรรมญาตามาตั้งแต่แรกจากพุทธคยามาสารานาี่ระยะทางก็ไกลนะใครที่ไปสังเวชในสถานที่อินเดียก็จะทราบดีว่าระยะทาง น, นี้ก็ไกลทีเดียวนะเป็นร้อยร้อยกิโลโพระงก็เสด็จเดินก็ดําเนินมาสองเดือนนะแล้วก็มาพบกับปัจจวบคีร์แล้วก็เลยแสดงธรรมพวกเราถ้าสังเกตนะ ปทุมมเทศนาเนี่ยกับปชิมโอว่านเนี่ยนะอันนึงเนี่ยเป็นเทศนาครั้งแรกอีกอันนึงเนี่ยเป็นโอวา่าครั้งสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันมากทีเดียวธรรมจักรปไตยนาซูล น, นี่ยาวมากเลยนะยาวนะถ้าเราสวีกันมาสักครู่นี้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงนี่ย่อแล้วนะเพราะาตอนท้ายตัดไปขณะที่ปชิมโอว่านเนี่ยแค่สองบรรทัดนะสองประโยคเท่านั้นแหะ วัยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปมาเทนะสัมปเททะท่านทั้งหลายทงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทำประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแค่นี้แหละปะชิมโมว่าสั้นมากนะแต่ว่าปฐมเทศนานี่ยาวมากและเนื้อหาก็ลึกซึ้งด้วยพวกเราส า, าที่เราสาธิยายไข้ ค, ควรบางคนก็งงๆนะหมายความว่ายังไง ไม่เหมือนกับประชิมโอวานนี่เข้าใจง่ายนะที่เป็นเช น, นี้ก็เพราะว่าพระองค์ตั้งใจจะอธิบายเพื่อที่จะเปลี่ยนทิฏฐิของปัญจวัคคีเพราะปัญจวัคคีเนี่ยยังมีทิฏฐิเป็นมิจฉาอยู่คือ ย, ยังเชื่อในการทรมานตนปัญจวัคคีเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความฉลาดแต่ว่าเป็นความฉลาดที่ผิดทางนะก็เลยเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมา มีความเชื่อในเรื่องการทรมานตนพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนทิฏฐิของปจัจจวัคคีย์จึงต้องอธิบายอธิบายนะอย่างละเอียดอย่างเป็นระบบนะเพื่อที่จะเปลี่ยนความเห็นในขณะที่ปาชิมโอวานเนี่ยนะพระองค์ตัดกับภาษาวกเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าคุ้นเคยคําสาวพระออยู่แล้วหลายคนก็คุ้นเคยก่อนบวช นะก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องอธิบายมากก็เพียงแต่ว่าให้เล่งทำความเพียรนะด้วยการเตือนให้ไม่ประมาทเพราะว่าอนาคตหรือว่าชีวิตนั้นเนี่ยมันไม่แน่นอนพวกเราถึงแม้ว่าจะเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าแล้วก็ถึงแม้ว่าปาชิมโมวานี่จะมีความสำคัญที่เตือนใจเราได้ดีนะแต่ว่า เราก็ควรจะสะดับฟังแล้วก็ค่อยควรปฐมเทศนาด้วยเพราะอย่าไปคิดว่าเรานะมีสัมมาทิฐิแล้วนะมาเป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะมีสัมมาทิฏฐิเสมอไปอาจจะมีความหลงผิดนะยิ่งกว่าปัญจวัคคีย์ก็ได้ตอนนี้สิ่งที่พระองค์เนี่ยอธิบายให้ปัญจวัคคีย์ได้ทราบก็คือให้เห็นว่า การทรมานตนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการหมกมุ่นในกามที่ปัญจวคีเนี่ยละทิ้งมานะปัญจวคีเนี่ยละทิ้งสิ่งที่เรียกว่ากามสุขาลิการนิโยคเช่นเดียว ก, กับเจ้าชายจิตทัตถะกามสุขาริการนิโยนี่เรียกง่ายๆว่าการปนเปื้ตนด้วยกามนะปนเปื้อนตนด้วยกามหรือหมกมุ่นในกาม สิ่งที่ผู้เจ้าอธิบายก็คือว่าไอการทรมานตนที่ปัญจวัคคีเนี่ยนะชื่นชอบเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันก็พอๆกับการปนเปิดตนตนได้กามที่ปัญจวัคคีได้ละทิ้งมาพอๆกันหมายความว่ายงไรก็คือว่ามันเป็นทางสุดตรงทั้งสองทางอันนี้คือเรียกว่า เนื้อหาต้นๆเลยนะที่พระองค์ได้ตรัสกับปัญจวัคีเพื่อจะล้างทิฏฐิให้เห็นว่าการทรมานตนก็ไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดวิพากวิจารณ์การทรมานตนเท่านั้นแต่ว่าเสนอทางออกที่มันดีกว่าก็คือทางสายกลางพระองค์ได้ชี้ว่าการทรมานตนก็ดี หรือว่าการปลนเปลอาตนด้วยกามหรือเรียกสั้นๆว่าการปลนเปลอาตนเนี่ยนะมันไม่ใช่ทางพวว้นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไปนะเพื่อทำให้เกิดยานเกิดจักสุ่มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมแม้แต่ความสงบมันก็ยังไม่ทำให้เกิดขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ความพ้นทุกเนี่ยทางพ้นทุกจะเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นทางที่หนึ่งทำให้เกิดความสงบนะอย่างแรกเลยทําให้ใจสงบรับการที่สองทำให้ใจสว่างสว่างคือว่านะเกิดปัญญาเกิดจักสุนะเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้พร้อมเนี่ยการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือแนวทางอะก็ตามาที่ไม่ทําให้เกิดหนึ่งความสงบ สองความสว่างเนี่ยมันไม่มีทางจะทำให้พ้นทุกได้ถ้าเราสองประเด็นนี้นะความสงบและความสว่างมาพิจารณาดูไอการเปน็นโปรตนด้วยการรมหรือการหมกมุ่นในกามก็จะเห็นว่ามันไม่ทำให้สงบเลยแล้วมันก็ไม่ทำให้สว่างด้วยทุกวันนี้เราก็เห็นคนจำนวนมากเนี่ยนะเขาก็หมกมุ่นอยู่ในกามนะไม่ว่าจะเป็นอ่าสิ่งที่ เสพด้วยตาเสพด้วยหูเสพด้วยจมูกเสพด้วยปากเสพด้วยกายนะการเนี่ยหมายถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศอย่างเดียวนะเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องสัมผัสทางกายนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ว่านะ่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์แต่ว่าก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการ นะด้วยการเสพทางตานะทางตาในที่นี้ไม่เป็นต้องเป็นภาพโป๊ะอะไรก็ได้นะอาจจะหมายถึงาภาพสวยงามที่เห็นแล้วมันทำให้ชื่นใจเช่นหนังภาพยนตร์นะหรือว่าเสียงที่สัมผัสรับรู้หรือเสพด้วยหนะูเช่นเสียงเพลงนะกลิ่นหอมรสอร่อยนะที่เสพทางปากพวกนี้เนี่ย แม้แต่เด็กๆ เ, เล็กๆ ก, ก็เกี่ยวข้องกับการเติบโตมากับกามนะไม่ใช่เกิดมาจากการเท่านั้นแต่ยังเติบโตมากับกามเด็กๆ ก, ก็นะขนมอร่อยอร่อยก็อยากกินนะได้ไมาแล้วก็ดีใจนะได้เสพแล้วได้กินแล้วนะก็ยังอยากกินอีกนะอันนี้ก็เรียกว่ากามเหมือนกันนะ อันนี้เนี่ยการบกบุญอยู่ในกามหรือว่าการเปลิปลเปิลตนด้วยกามนะมันไม่ทำให้ใจสงบนะเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอทั้งที่ท้องคนเราเนี่ยนะมันมีขีดจำกัดนะคนเราเนี่ยกินได้แค่ระดับหนึ่งนะมันก็อิ่มแล้วแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์นะกักตุน กินได้เท่านี้อิ่มแล้วแต่ขอกักตุนกักตุนในรูปของของข้าวของหรือกักตุนในรูปของเงินทองก็ได้ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอนะสังเกตดูมันไม่ใช่เฉพาะได้เงินนะคนที่ได้เงินนะเป็นแสนก็ยังไม่พอใจอยากได้ล้านคิดว่าได้ล้านจะมีความสุขพอได้แล้วก็ไม่มีความสุขเพราะอยากได้อีกนะ มันไม่เคยมีความรู้จักพอสักทีมีแต่อยากจะได้มากขึ้นมากขึ้นแม้กระทั้งคนที่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่เคยอยู่ถางเงินเลยอันนี้เราก็เห็นได้ทั่วไปเมื่ออย่างดิลนนแสวงหาอย่างนี้เนี่ยจะเรียกว่าสงบได้อย่างไรและที่สำคัญคือว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเกิดความหลงเกิดความเพลิดเพลินนะพอเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยสมมุติว่าติดอกติดใจแต่ว่าเงินไม่พอ ยังอยากได้อีกนะอยากได้รถอีกอยากได้เงินทองอีกอยากได้บ้านอีกหรือว่าอยากจะได้เศษมากอีกแต่เงินไม่พอทำงานมันก็ทำให้คิดหาวิธีนะในทางที่ไม่สุจริตต่อไปขมโมยนะหรือไม่ก็ไปเอาเปรียบนะไปกดขี่ไปขูดรีดเขาก็เกิดเป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็นำความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้เพราะว่า มันเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายนะก็ต้องคอยหลบคอยเลี่ยงคอยหนีได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยนะผิดกฎหมายก็ต้องหาทางไปซุกไปซ่อนไว้มีความทุกข์มากนะเดี๋ยวนี้ก็ไปซุกซ่อนนะในต่างประเทศนะก็เสียเวลาไปกับเรื่องการหาเงินการซุกซ่อนเงินแทนที่จะใช้เวลานนเนี่ยในการทําใจให้สงบนะแต่จิตใจก็ไม่สงบ อันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะถ้าหากว่าหมกบุนกับมันแล้วเนี่ยนะมันกลายเป็นเสพติดพอเสพติดแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ต้องเสพเรื่อยๆตัวอย่างที่ชัดก็คือพวกติดยานะติดยานี่นะเสพเสพยานะที่แรกก็มีเงินซื้อนะแต่พอเสพมากเสพ บ, บ่อยๆเนี่ยเงินมันก็หมดเพราะระหว่างที่เสพนี่มันก็ ไม่อยากไปทำมาหากินนะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้จ่ายไปจ่ายไปหมดนะบางทีเงินก็ไม่ได้มากอะไรนะแม่ให้พ่อให้เพราะเป็นนักเรียนพอหมดแล้วแต่ยังยังเพลินยังหมกมุ่นอยู่กับมันก็ต้องไปปนลนะหรือไม่ก็ต้องไปขายยาผิดกฎบายแลอวนี้มันจะเกิดความสงบได้อย่างไรมันจะเกิดความสุขนะได้อย่างไรอย่าไปคิดว่าเอฉันไม่ได้เสพยา เราก็ไม่ได้เสพเนี่ยฉันจะอเอามาเทียบกับเอามาเปรียบกับฉันไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะเราจ ะ, เราจะเราจะปนเปร้นปนตนด้วยการชนิดไหนก็ตามสุดท้ายมันก็ติดนะพอติดแล้วนี่ก็ต้องหามาให้มากและที่คนติดมากคือติดเงินนะหมายถึงเสพติดเงินเงินก็เป็นสิ่งเสพติดอย่างหนึ่งนะ อย่าไปคิดว่ามันมีแต่เล่ามีมีแต่มันมีตยาบ้าที่เสพติดเดี๋ยวนี้คนเสพติดเงินมากนะพอเสพเพราะว่ามันเสพติดในการพอเสพติดในการก็ต้องหาเงินพอเสพติดเงินนะมันก็ต้องไปดิ้นรนหามานะถ้าใช้วิธีการที่สุดจริตได้มาน้อยก็ต้องหาทางโกงคอร์รัปชันเพื่อจะได้มามากแล้วก็อย่างที่ว่าได้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอ ลองพิจรารณาดูนะเมื่อคนเราเนี่ยเป็นโปรตีนไดกามเนี่ยมันสบายกายก็จริงนะแต่ว่าใจไม่สงบเพราะความอยากที่อยากได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถึงเวลาที่ไปทําผิดทําชั่วแล้วเนี่ยมันยิ่งมีความเดือดร้อนใจตามมาและเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะสบายกายนะเพราะว่าคนที่กินมากเนี่ยคนที่ชอบกินชอบเสพเนี่ยทางปากเนี่ยพวงนี้เนี่ย พอเสรไม่รู้จักยังไม่รู้จักประมาณนะเป็นยังไงโรคถามหาโรคอว้วนโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจนะมันไม่มีความสุขทั้งกายและใจในความปนเปร้ตนเนี่ยนะการปนเปรตนได้กามเนี่ยส่วนการทรมานตนก็เหมือนกันนะการทรมานตนเนี่ยนะราก็ทำด้วยการทำร้ายตัวเองหาความสงบในจิตใจได้ยาก บางคนก็อดอาหารอดอาหารจนร่างกายพ่ายผอมบางคนก็ยืนขาเดียวนะบางคนก็เอาหัวนะสุกเข้าไปในดินะหายใจเทีลนิดเทีลนหน่อยบางคนก็นอนอยู่บนตะปูเตียงที่เป็นตะปูไอ้ความสุขกายไม่มีอยู่แล้วความสุขใจก็ไม่มีมันมีแต่ความกล้ากลืนฝืนทนนะ ซึ่งจะทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดโทสะแล้วก็บางทีก็ทาให้เกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเป็นคนวิเศษนะฉันเป็นคนที่เก่งกว่าคนอื่นเพราะฉันสามารถทรมานตนได้มากคนอื่นไอ้กิเลสแบบนี้ก็ไม่ทำให้มีความสุขนะไม่ทำให้เคยความสงบไม่ต้องพูดถึงการมีปัญญาเพราะะนพรเจ้าเนี่ยนะที่ว่าสองทางเนี่ยมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นเพราะ มันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความสว่างไม่ได้เป็นไปเพื่อการเกิดจากสู่การเกิดยานความรู้ยิ่งความรู้พร้อมแต่อะไรล่ะทางไหนล่ะที่จะทำให้เกิดคลังทั้งความสงบและความสว่างได้นะก็อริมามิองแปดนี่แหลนะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะอันนี้เป็นตัวนําเลย ตามด้วยสัมมากรรมันตาสัมมาวาจาสัมมาชีวะสัมมาอาชีว ะ, ส, มมาาวะสัมมากรรมันตาสัมมาวาจาเนี่ยมันเป็นตัวกํากับนะไม่ให้ความการปลนเปลืยตนของเราเนี่ยมันไปสร้างปัญหาสําหรับคนธรรมดาเนี่ยนะก็ยังอดไม่ได้นะที่จ ะ, ะลหลงไหลในกามแต่ถ้าว่ามีสัมมากรรมันตน์นะก็คือศีนั่นแหละมีสัมมา วาจามีสัมมาชีวะนะนันก็ยังคอยกำกับให้เราไม่ตกเป็นทาตของกามหรือว่าไม่ถูกให้กามเนี่ยมันชักนำให้เราทำชั่วนะแต่จิตใจอาจจะยังไม่สงบนะเพราะว่ายัางรู้สึกว่าเรายังได้น้อยไปเรายังรวยน้อยไปเราจะมีบ้านหลังเล็กนะหรือว่าเราไม่มีรถเหมือนคนอื่นเขาเนะี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนเรามีนะ การฝึกฝนทางจิตใจเช่นสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีความสุขนะมีวัตถุน้อยแต่มีความสุขใจนะตัวสัมมาสติสัมมาสม า, สมาธิเนี่ยอันนี้สองพื้นฐานคือทําให้เกิดความสุขความสงบเย็นในจิตใจแล้วคนเราพอมีความสุขแล้วในจิตใจแล้วเนี่ยมันจะเป็นธาตุวัตถุสิ่งเสพน้อยลงนะใครจะรวยกว่าใครมีเงินเดินมากกว่าใครจะมีบ้านหลังใหญ่กว่า ฉันก็ไม่อิจฉาเขาเพราะว่าฉันมีความสุขข้างในตาใดที่เราอิจฉาเพื่อนนะยังอิจฉาเพื่อนว่าเขามีเงินเดือนมากกว่าเรานะเขามีตำแหน่งสูงกว่าเรานะจบมาพร้อมกันนี่แต่เขาเป็นซ e o นะีบริษัทใหญ่นะฉันยังเป็นเสมียนนะหรือว่าเป็นข้าราชการนะคนที่คิดแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขายัง <c oughs> หาความสุขทางใจไม่เจอเขาเอาความสุขเนี่ยเขาหวังความสุขจากวัตถุ พอเห็นคนอื่นเขาที่รวยกว่าเห็นเพื่อนรวยกว่าเห็นเพื่อนมีเงินมากกว่าก็เลยอิจฉาเขาเพราะคิดว่าเขามีความสุขกว่าเรานะที่จริงนะก็จะมีความทุกข์ก็ได้ก็ยังมีความเดือดเนื้อร้อนใจก็ได้แต่ถ้าเรามีความสุขในจิตใจได้รู้จักความสงบเย็นเนี่ยมันไม่มีความอิจฉาใครเลยไม่อิจฉาคนที่เ้ารวยกว่าเขามีฐานะมากกว่านะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจบมาด้วยกันนะ นะเมื่อแต่ก็ตามที่เราอิจฉานะคนหนึ่งที่เขารวยกว่าเขามีเงินมากกว่านันะ่นแสดงว่าเรายังไม่รู้จักความสงบในจิตใจและที่เราไม่รู้จักเพราะว่าเรายังนะฝึกจิตไม่เพียงพอนะสัมมาสติเราก็อาจจะไม่รู้จักสัมมาสมาธิยิ่งแล้วใหญ่งั้นะถ้ามีสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยมาช่วยทาให้เราเนี่ยไม่ไม่หวั่นไหวในกามนะยังใช้นะ ยังกินอาหารนะยังยังต้องการที่พักที่อาศัยอยู่คือปัจจัยสี่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นธาตุของมันถ้าถ้าเราฝึกจิตไว้ดีเนี่ยนะเราก็จะเป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพหรือกามได้มาึ้นเรื่อยๆอิสระในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องนะยังเกี่ยวอยู่แต่เกี่ยวข้องแบบผู้เป็นนายนะคนไปเข้เาใจอิสระคือไม่เกี่ยวข้องในภาษาบาลีอิสระแปลว่าเป็นใหญ่ นะกลายเป็นอิสระนะจากวัตถุเนี่ยแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นอิสระจากกามแลแต่พระองค์ก็ยังนะเกี่ยวข้องกับกามกามในที่นี้ก็เช่นอาหารที่ประณีตนะหรือว่าจีวรเนื้อดีที่มีคนมาถวายนะยิ่งพระเสวีเนี่ยยิ่งได้รับการถวายสิ่งเหล่านี้มากนะแต่พระองค์ก็ใช้แบบผู้เป็นนาย บางคนไปเข้าใจว่าอิสระคือไม่เกี่ยวข้องเนี่เราจะเห็นลัทธิบางลัทธินะเขาไม่ใส่เสื้อเลยก็ไม่มีทรัพสมบัติอะไรเลยเพื่อการประกาศตัวสรือแสดงตนว่าเขาเป็นอิสระแล้วเขาปล่อยวางแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ใส่เสื้อเขาไม่ใส่กางเกงก็คือพวกลัทธิเชนนิคโดยพณิ ก, กาที่คาพรนุ่งลมผมฟ้าเขาต้องการประกาศว่าเขาเป็นอิสระ นะซึ่งคนนี้ก็จะจะมองว่าทําไมพระบรมศาสดาหรือพระอราหันต์ทําไมยังรุ่งห่มจีวรทําไมยังมีกุตตนะิทําไมยังมีบริขารแปลว่าไม่อิสระจริงนะอันนี้เพราะเขามองอิสระไม่เหมือนกับมองอิสระในความหมายที่ว่าไม่เกี่ยวข้องนะแต่อิสระในพุทธศาสนาแปลว่าเกี่ยวข้องได้แต่เกี่ยวข้องแบบผู้เป็นนายไม่ได้เป็นธาตอันนี้สําคัญมากนะมันเป็นความอิสระที่ใจ คนเราเนี่ยนะในปัจจุบันเราก็อาจจะเป็นต้องใช้เงินนะแต่ว่าถ้าเราใช้อย่างพูดเป็นนายอันนี้ก็ไม่เกิดโทษแต่ถ้าหากว่าเงินมันกลายเป็นนายเราเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้มันกลายเป็นปัญหาแนละ้วแลวคนส่วนใหญ่ก็ยังปล่อยให้เงินมาเป็นนายเราปล่อยให้วัตถุสิ่งเสพมาเป็นนายเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นพวกการสุขาริการนิโย่นะอย่างที่ผู้เจ้าตรัสนะในธรรมจักรปตนาสูตรแต่ว่าเราก็อาจจ ะ, ะยังคงปนเปนื้อนด้วยกามอยู่นะเพราะว่าเราตกเป็นทาสของกามจริงเนี่ยไอ้การกามสุขาริการนิโย่เนี่ยนะในความหมายที่ละเอียดกว่านั้นเนี่ยนะมันก็คือการเพลินในความสุขโดยเพราะความสุขนะ ทางกายหรือความสูตจากการเสพ mm. เราอาจจะไม่ถึงขั้นนะปนเปื้อตนด้วยกามนะอย่างในสมัยพุทธกาลนะซึ่งมีการเปนเปื้อหลายอย่างโดยเพราะเนี่ยนะปนเปื้อตนด้วยเพศสัมผัสอย่างที่เราเห็นในกามสูตรหรือว่าในในภาพสลักอย่างเช่นที่คชชุรโหที่ประเทศอินเดียเนี่ยจะเห็นการเสพกามลักษณะต่างๆมากมาย นะอันนี้เป็นการสุขลรุกานนโยมแบบสูงสุดเลยนะหรือว่าถึงแม้ไม่ถึงขน้นนั้นก็อาจจะเรียกว่าเอาแต่เที่ยวเอาแต่เสพนะซึ่งก็มีอยู่ในปัจจุบันชาวพูทจํานวนมากเนี่ยถึงแม้บอกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็อาจจะยังคงจัดอยู่ในประเภทเปินโปรตุนด้วยกามได้หรือว่าจัดอยู่ในประเภทการสุขลรุกานนโยมได้ในความหมายที่ละเอียดก็คือว่าเพลินในความสุขนะ คนเราถ้ายังเพลินในความสุขเนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในทางสุดโตรงนะเพลินในความสุขนะได้กินอาหารที่อร่อยนะได้ดูหนังฟังเพลงก็เพลินอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพวกเป็นประตนด้วยกานเหมือนกันซึ่งก็ทำให้ยังหนีความทุกข์ไปไม่พน้นเพราะว่าพอเพลินแล้วเนี่ยก็ติดพอติดแล้วก็อยากได้อยากมีมากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ นี่ก็ทุกเหมือนกันไม่มีความสงบและประการต่อมาคือพอสูงนั้นมันเจือจางไปพอสูงนั้นมันเจือจางไปอาหารที่เคยกินอร่อยอร่อยมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอร่อยน้อยหน่อยนะไม่สุขล้ทถ้านที่มันยังอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันไม่อร่อยเท่าที่เคยเสพไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเกิดมันหายไปเลยนะ จากที่เคยอร่อยนี่กลายเป็นแม่อร่อยเนี่ยยิ่งทุกข์ก็ไปใหญ่แต่แม้จะอร่อยน้อยเนี่ยก็ทุกข์ลวเพราะว่าเราติดเนี่ยเราติดในความอร่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนดูหนังเนี่ยนะคนดูหนังคนที่ชอบดูหนังสมัยนี้เนี่ยถ้าไปดูหนังเมื่อ40ปีที่แล้วนี่ดูแล้วง่วงเลยง่วงบอกว่าไม่สนุกเพราะอะไรเพราะมันไปติดกับหนังแอคชั่นหนังที่ตัดฉากเร็วหนังที่มีซจีอมีมีการ เรียกว่าตัดแต่งต่อเติมนะไอ้ผู้นี้เนี่ยนะคือหนังสมัยเนี่ยมันสนุกกว่าหนังสมัยก่อนแต่หนังสมัยก่อนก็ยังสนุกนะแต่คนสมัยนี้พอไปติดหนังสมัยนี้แล้วนะพอมาดูหนังสีสิบปีที่แล้วเนี่ยมันไม่สนุกแล้วดูครึ่งเรื่องก็เลิกแล้วหรือไม่ก็หลับก็เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งนะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าคนเราเนี่ยพอไปเพลินในความสุขแล้วเนี่ยหนึ่งมันทุกข์นะเพราะว่า ติดแล้วก็อยากเสพอยากมีมากๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสองเมื่อสุขนั้นมันแปรปรวนไปนะมันลดระดับลงก็ทุกนะแม้ยังไม่หายไปเนี่ยยังทุกเลยนะจริงถ้าหายไปเนี่ยเช่นเงินหายโทรศัพท์หายรถหายนะเคยเพลินเคยมีความสุขกับรถโดยนเคยมีความสุขกับโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้เป็นมากนะติดติดสุขเพราะว่าติดสุขที่ได้จากโทรศัพท์ พอโทรศัพท์หายเนี่ยนะหรือว่าการมันหายไปเนี่ยทุกเลยนะบางคนก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ทั้งที่มันเป็นธรรมดาดังนั้นเพลในความสุขเนี่ยนะแม้จะไม่ถึงขั้นบกมุ่นในกามหรือเปนเปิลตนด้วยกามนะอย่างที่เราเคยเห็นแต่ตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในประเภทปนเปิลตนด้วยกามที่ละเอียดลงไปก็ได้แล้วก็จะไม่มีความสุข ตรงข้ามกับคนตรงข้ามกับเพลิในความสุขนะก็คือจมอยู่ในความทุกข์อันนี้ก็เป็นเราเหมือนกันนะจมอยู่ในความทุกข์ก็เป็นอัตตะ ก, กิลบัณฑานุโยคนะแต่ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นการนอนบนตะปูหรือว่าอดอาหารนะหลายวันหรือว่ายืนขาเดียวนะเป็นเดือนเป็นปีแต่เราก็อาจจะอยู่ในฝ่ายอัตตะ ก, กิลบัณฑานุโยคได้ถ้าหากว่าเราจมอยู่ในทุก แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยก็สวิงไปสวิงมาเบี่ยงไปเบี่ยงมานะั้นระหว่างเพลินในสุขกับจมในทุกข์สังเกตว่าเวล า, เาจมในทุกข์เนี่ยนะเราเราไม่อยากออกจากทุกข์เลยนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราอยากจะโกรธเราคิดแต่จะโกรธเข้าไปเรื่อยๆนะเวลาเราโกรธใครเนี่ยเราจะคิดถึงความไม่ดีของเขาบางทีก็ทําให้เราไม่พอใจเรื่องเดียวเนี่ยเราจะไปขุดคุยความไม่ดีของเขาอีกสิเรื่องในอดีตนะทำไปทําไมเพราะว่าทําไปแล้วเนี่ยยิ่งโกรธมากขึ้น วันนี้คนเราติดใจในทุกนะเรียกว่าแสหาทุก์มีคนมาพูดกับเราว่าเนี่ยสมศรีเขานินทาเธอนะปฏิกิริยาของเราอย่างแรกคือเขาพูดว่าอย่างไรจะถามเขาพูดว่าอย่างไรอยากจะรู้เขานินทาเรา อ, อย่างไรพอเพื่อนบอกว่าสมศรีเขานินทาเธออย่างนี้นะเป็นไ ง, นะงโกรธใช่ไหมก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าได้ยินเขาพูดเนี่ยเราจะโกรธแต่เราก็ยังอยากให้ให้เขาพูดออกมา ว่าสมเรียคนินทาเราว่าอย่างไรคนเราเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าอยู่สบายไม่พอนะยังอยากจะรู้ยังอยากจะหาเรื่องให้ทุกข์นะอันนี้ก็เป็นอาการการจมอยู่ในทุกข์นะแล้วพอไม่สบายพอไม่พอใจแล้วเนี่ยมันก็จะจมนะมกบุนอยู่กับความไม่ดีของเขานึกถึงแต่คำพูดของเขาเวลาโกรธก็ไม่เคยคิดอยากจ ะ, จะออกจากความโกรธไม่เคยนึกถึงการให้อภัย มีคนมาแนะนำว่าให้อภัยก็ไปเถอะเนี่ยก็กลับโกรธเพื่อนที่แนะนำอย่างนี้นะถ้ามีลูกและลูกแนะนำแบบนี้ก็โกรธลูกถาทั้งที่สิ่งที่ลูกแนะนำสิ่งที่เพื่อนแนะนำเนี่ยมันเป็นทางที่จะช่วยทําให้เราออกจากทุกข์คือออกจากความโกรธแต่เราก็ไม่ยอมเราอยากจะจมดิ่งอยู่ในความโกรธมากขึ้นความเศร้าก็เหมือนกันเวลาเราเศร้าเนี่ยการที่เราจะหาทางออกจากความเศร้าเรากลับคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเศร้ามากขึ้น คิดถึงเรื่องที่มันเป็นการตอกย้ำนะความข้อร้ายของตัวเช่นเวลามีคนเขาทิ้งเราไปเนี่ยคนที่เราเคยรักเขาทิ้งเราไปเนี่ยก็อกหักเสียใจแค่นั้นไม่พอนะก็จะไปขุดคุ้ยมานะว่าเนี่ยว่าหรือตอกย้าซ้ําเติมตัวเองเนี่ยโอ้เราเป็นคนที่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรักเลยไปคิดถึงเรื่องที่คนนั้นคนนี้เขานะี่ยเขา เขาเขาตอบเขาตอบว่าเราเขาไม่แคร์ความสนความรู้สึกของเราพ่อแม่ก็ไม่รักเรานะเพื่อนก็ไม่รักเรานะก็จะไปหาไปขุดคุ้ยหรือว่าไปปรุงแต่งเรื่องทํานองนี้เพื่อจะทําร้ายตัวให้มากขึ้นว่าฉันเป็นคนที่ทั้งโลกไม่มีใครรักเลยทางด้านทีมอาจจะเริ่มต้นเพียงแค่ว่ามีคนที่เราเคยรักเขาหันหลังให้เรา แค่นั้นแหละแต่ว่าเราก็จะไปขุดคุย้ยหรือไปหาเรื่องนะที่เป็นการซ้ําเติมเติมว่าคนทั้งโลกไม่รักเราอันนี้เลยว่าเป็นการจมในทุกนะแล้วก็ยิ่งปล่อยให้จิตมันถลำในความทุกข์มากขึ้นคนเวลาทําผิดทําพลาดแล้วเสียใจแทนที่จะออกจากความเสียใจนั่นก็จะวนคิดไปถึงเรื่องที่ทําเรื่องที่เสียใจซ้ําแล้วซ้ําเล่าจ น, น ก, กระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะ เป็นพ่อเขาทําร้ายตัวเองด้วยเขาคิดแต่เรื่องของเหตุที่ทําให้ตัวเองรู้สึกผิดหรือว่าเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่แค่เรื่องเดียวหลายเรื่องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพวกทรมานตนแบบหนึ่งนะคือแทนที่จะออกจากทุกนะแต่กลับซ้ําเติมตัวเองมากขึ้นท่านพวกเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใน ลักษณะที่เป็นการสุขลรุกานนโย o หรืออัตตกิเลมบัณฑานิย o อย่างที่ผู้เจ้าตรัสในธรรมตักปตนาสูตรนะแต่ว่าเราก็นะเบี่ยงไปเบี่ยงมาอย่านี้ระหว่างเพลินในสุขกับจมในทุกนั้นการที่เรานํำมันไข้ครวญ น, นะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสเนะ่ยเรื่องทางสายกลางเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยดีเพราะการมีสตินะสัมมาสติสัมมาสมาทิสมาทิเพราะถ้าเรามีสตินะเราจะไม่เพลินในสุขนะ เราจะเห็นสุขนะแต่ว่าเราจะไม่เพลินกับมันเราจะเห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เห็นความทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์ไม่ปล่อยให้ความโศกความเศร้าความรู้สึกผิดเนะี่ยมันม า, มาครอบงามซ้ำเติมจิตใจเราหลายคนเนี่ยก็รักษาศีลดีแล้วนะศีน่าก็รักษาไว้ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยรักษาใจเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องการเจริญสตินะ หรือว่าการทําสมาธิภาวนาเพราะนั้นจิตใจมันก็เลยเบี่ยงไปเวลาเจอสุขก็ยินดีเครือบเครื่อนหลงไหลจนลืมตัวเวลาเจอทุกข์ก็จมดิ่งอยู่ในความทุกข์จนลืมตัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรามาสาธยายธรรมะจากพระดนสูแล้วเนี่ยนะขอให้ลองมาย้อนมามองตัวเราเองนะว่าเราเนี่ยนะทุกวันนี้แต่ละวันแต่ละวันเนี่ย เราปล่อยให้จิตใจเข้าไปในทางสุดตรงสองทางมากน้อยแค่ไหนนะในวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะทรงใจนะให้อยู่ในทางสายกลางนะคือไม่เพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกข์ด้วยการมีสัมมาสตนะิเป็นเบื้องต้นนะก็คำนี้ก็ขอแสดงธรรมเพียงเท่านี้